ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจ <Okay. S 1> การกินเจนี้ก็คือการถือมังสวิรัติคือการละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์การกินเจนี้จะกินแบบฉลาดก็ได้หรือกินแบบโง่ก็ได้ เช่นกินแบบโง่ก็กินแบบพวกวัวควายวัวควายเขาก็กินผักกินญ้าแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปถ้าจะกินเจอย่าถือมังสาวิรัตต้องกินแบบมีปัญญาคือต้องรู้ว่าอะไรเป็นบุญ อะไรเป็นบาปเช่นการรับประทานผักหรือรับประทานเนื้อนี่ไม่ได้เป็นบุญหรือไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดถ้าเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานไม่ได้เราไม่ได้ฆ่าเนื้อสัตว์นี้มารับประทานหรือสั่งให้คนอื่นเขาฆ่ามาให้เรารับประทาน เนื้อสัต well, ว์ที่เรารับประทานนี้ก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดเหมือนกับรับประทานผักไม่แตกต่างกันการรับประทานผักก็ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดเพราะบุญนี้ไม่ได้เกิดจากการรับประทานผักนั่นเองแล้วก็บาปก็ไม่ได้ละเว้นจากการละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ บาปนี้เกิดจากการทําบาปเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเศษสุรายาเมาการกระทําเหล่านี้เป็นบาปและการละเว้นจากการกระทําเหล่านี้เรียกว่าบุญดังนั้นบุญและบาปนี้ไม่ได้อยู่ที่การรับประทานผัก หรือการรับประทานเนื้ออยู่ที่ว่ารักษาศีลห้าข้อนี้ได้หรือไม่ถ้ารักษาศีลห้าข้อนี้ได้ก็เรียกว่าได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปดังนั้นการรับประทานเจหรือไม่รับประทานเจจึงไม่ได้เป็นเรื่องของบุญหรือเรื่องของบาปแต่อย่างใด ยกเว้นว่าถ้ารับประทานเนื้อสัตว์ด้วยการฆ่าเนื้อสัตว์ด้วยตนเองหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่ามาให้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นบาปแต่ถ้าเรารับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่เขาขายตามท้องตลาดโดยที่เราไม่ได้ไปสั่งล่วงหน้าไว้ก่อน ถ้าเราสั่งล่วงหน้าเช่นพรุ่งนี้จะเอาไก่สามตัวถ้าสั่งนี้ถือสั่งล่วงหน้านี้ถือว่าบาปเพราะเราไปสั่งให้เขาค้าแต่ถ้าเขาค้ามาขายโดยที่เราไม่ได้สั่งเราไปตลาดเราเห็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วขายอยู่เราจะซื้อมาทำอาหารรับประทานอย่างนี้ไม่บาป นี่คือเรื่องของการกินเจกินเจนี้ต้องรู้ว่ากินเพื่ออะไรถ้ากินเพื่อบุญนี้ต้องกินแล้วก็จะกระทาบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำํำบุญในพระพุทธศาสนาที่ทรงสอนให้กระทํานี้มีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นหนึ่ง ทานคือการให้การบริจาคข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นอันนี้เรียกว่าเป็นบุญบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ทำบาปอันนี้ก็เป็นบุญแล้วก็บุญที่เกิดจากการบาเพ็ญจิตตภาวนา ก็คือการพัฒนาจิตใจให้สะอาดให้สงบให้สว่างด้วยปัญญาอันนี้ก็เป็นบุญแล้วก็บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญบุญสี่ข้อนี้ถือว่าเป็นบุญสำคัญเหมือนกับอาหารที่เป็นอาหารหลัก เรามีอาหารหลักและมีอาหารเสริมอาหารหลักนี้เรารับประทานกันเป็นประจำเช่นข้าวแล้วก็กับข้าวกับปลาต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นอาหารหลักที่เรารับประทานกันทุกวันทุกมือ้อส่วนอาหารเสริมนั้นก็เป็นพวกขนมนมเนยของหวานเครื่องดื่มอะไรต่างต่าง ที่บางครั้งเราก็อาจจะรับประทานก็ได้ไม่รับประทานก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรบุญในพระพุทธศาสนาก็มีบุญหลักและบุญเสริมเช่นเดียวกันเป็นเหมือนอาหารหลักและอาหารเสริมให้แก่จิตใจจิตใจนี่ต้องการบุญเหมือนกับร่างกายที่ต้องการอาหาร บุญนี้เป็นอาหารของจิตใจถ้าได้ทำบุญแล้วก็เหมือนกับได้รับประทานอาหารก็จะได้รับความสุขได้ความอิ่มความพอบุญที่พระเจ้าส่งสอนให้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างประจําที่เรียกว่าบุญหลักก็คือทานควรจะให้ทานอยู่เรื่อยๆมีอะไรที่เราพอที่จะแบ่งปัน ให้แก่ผู้อื่นได้ควรจะให้กันช่วยเหลือกันเพราะท้ายแล้วจะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจจะทำให้เราไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกล่นรถผลตภะไม่หิวโหวยกับลาบยศสรรเสริญคนที่ไม่ได้ทำบุญนี้มักจะมีความหิวมีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่คนที่ทำบุญเป็นประจำนี้จะไม่รู้สึ ก, อ ย, กยสสอยากจะได้ลาบยศเสรเสริญอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะใจได้รับอาหารของใจก็คือการทำทานอันนี้เป็นบุญที่ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หมันทํากันเป็นประจำถ้าทํากันได้ทุกวันก็จะดีมันจะได้ติดเป็นนิสัยเช่นเมื่อก่อนนี้ตามหมู่บ้านจะมีวัดมีพระมาบิณฑบาตในหมู่บ้านเป็นประจำก็จะมีชาวบ้านได้มีโอกาสได้ทําบุญตักบาตรเป็นประจำการทําบุญตักบาตรนี้ ชาวบ้านก็ได้บุญแล้วก็ได้สนับสนุนพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านต่อไปอันนี้เป็นบุญที่ควรจะหัดทำอยู่เรื่อยๆถ้าสมัยนี้เราไม่มีพระมาบิณฑบาต ท, ที่บ้านถ้าเราอยากจะทำบุญกับพระกับวัด เราก็เอาเงินที่เราจะใส่บาทเอาเงินที่เราจะไปซื้อของใส่บาทนี้ใส่กับป๋องใส่กล่องไว้ก็ได้ถือว่าเราได้ใส่บาทในวันนั้นแล้วทุกวันใส่ไปวันะเล็กวันน้อยแล้วพอถึงเวลาที่เรามีโอกาสจะไปทำบุญเราก็เอาเงินที่เราใส่ในกล่องนี้ เอาไปทำบุญถ้าเราไม่ทำเป็นประจำมันก็จะไม่ติดเป็นนิสัยไปแล้วใจก็จะไปหิวไปอยากได้สิ่งอื่นก็จะเอาเงินที่จะมาทำบุญนี้ไปซื้อของอื่นๆอย่างอื่นแทนที่ไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจเพราะการซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการ เลี้ยงชีพคือปัจจัยสี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของอที่ให้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอันนี้เป็นเหมือนกับอันการไปซื้ อ, อยาเสพติดให้กับใจให้มาเสพซื้อแล้วก็จะติดก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ได้ซื้อเวลาที่ไม่มีเงินซื้อก็จะไม่สบายใจ แต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทำบุญใส่บาตรเราก็จะได้อาหารให้กับใจทำให้ใจอิ่มทำให้ใจไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทำให้ใจไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญคือมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เดือดร้อน เพราะใจมีอาหารมีความสุขจากการได้ทำบุญการทำบุญทุกวันนี้จะทำให้ติดเป็นนิสัยแล้วก็จะทำให้ทำได้ง่ายแล้วนอกจากจะทำให้ใจเรามีความสุขในปัจจุบันแล้วบุญที่เราทำนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราเออกไปฝากไว้ในธนาคารเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่ เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่คนที่ทำบุญไว้กลับมาเกิดก็จะมาเกิดร่มรวยกว่าเกา่าฐานะดีกว่าเกา่าเพราะมีเงินทองฝากไว้ในธนาคารบุญที่มีทั้งต้นและมีดอกเบี้ยก็จะกลับมาอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมาเกิดเป็นคนยากจนมาเกิดเป็น ลูกของเศรษฐีอันนี้คือประโยชน์ของการทำบุญด้วยการให้ทานส่วนการทำบุญเพื่อรักษาสีนี้ก็เป็นประโยชน์มากทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือปัจจุบันถ้าเราไม่ทำบาปใจของเราก็จะสงบจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิตกกังวล เดร้อนกับบาป ท, ที่เราทำแล้วเราก็จะไม่มีศัตรูเราจะมีแต่มิตรอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องวิตกกังวลกับเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจะมาจับเราไปติดคุกติดตารางเพราะเราไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําผิดกฎหมายนั่นเอง เราก็จะอยู่อย่างสบายใจแล้วเวลาที่เราตายไปร่างกายตายไปใจของเราที่ไม่ได้ตายก็ไปกับร่างกายก็จะต้องไปเกิดต่อถ้ารักษาศีลไว้ไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปใช้บาปในอบายในอบายก็มีที่ไปสี่ที่ด้วยกัน คือนเดลชะน์สอเปรต 3. อสุรกาย 4. นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเป็นเดลชานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายและถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็จะไปนรกนี่คืออนิสงส์ประโยชน์ของการรักษาศีลจะทำให้เราไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายเช่นถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราทำทาน อยู่อย่างสม่ำเสมอเวลาตายไปท่านก็บอกว่าจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆแล้วพอบุญหมดก็บุญที่ได้ทำไว้หมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มารับอนิสง์ของทานที่เราได้สะสมเอาไว้ ได้มาเกิดในฐานะที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่คือเรื่องของบุญในพระพุทธศาสนาบุญหลักมีอยู่สข้อข้อที่สก็คือการบำเพ็ญจิตภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นตามลำดับให้มีความสุขมากขึ้นตามลำดับ จิตใจของเราตอนนี้เป็นมนุษย์กันถ้าเราภาวนาเราก็จะยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหาันตสาวกเกิดจากการที่เรามาพัฒนาจิตใจจิตใจของเราตอนนี้ถูก กิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆชุดลากให้ลงสู่ที่ต่ําพู้ที่มีความโลภความโกรธครอบงำมีความอยากครอบงำจิตใจมักจะไปทำบาป ท, ทำกรรมกันเพื่อที่จะได้ทำได้สิ่งที่ตนเองอยากได้แต่ถ้าเรามา พัฒนาจิตใจด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจิตใจของเราก็จะไม่มีอะไรมากดดันให้ไปทำบาปกันจิตใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจะเป็นจิตใจที่มีความสงบมีความอิ่มมีความสุขที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาอะไร มาให้ความสุขจิตใจการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาขั้นแรกนี้ก็คือทำใจให้สงบให้หยุดคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งนี้ทำให้ใจไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบใจมีความสุข จากความสงบจำเป็นที่จะต้องหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้การที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ก็ต้องมีสติเป็นเครื่องมือสตินี้เป็นเป็นเหมือนเบรกของใจเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์ที่วิ่งอยู่ถ้าต้องการที่จะให้หยุดก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะไม่หยุดวิ่ง ฉันใดความคิดก็คือการวิ่งของใจนี้ก็จะไม่หยุดถ้าไม่มีเบรกคือถ้าไม่มีสติถ้าพวกเราตอนนี้ยังหยุดความคิดไม่ได้หยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีเบรกเราจึงต้องมาสร้างเบรกกันพัฒนาเบรกกันติดเบรกให้กับจิตใจ การที่จะติดเบรคให้กับจิตใจพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้เราเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้คิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวไม่เพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมละลึกถึงคำพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเราจะไม่ได้ไปคิดเรื่องราวต่างๆนอกจากเรื่องที่เราจะปล่อยให้คิดเช่นเรื่องการเรื่องการงานต่างๆเวลาที่เราทำงานก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็หยุดพุทโธแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดไปกับเรื่องของงานแต่พอเสร็จจากการงาน ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดเราก็หยุดคิดอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปื่อยคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันหรือคิดไปคิดไปตามความโลภความโกรธความอยากต่างๆเพราะมันจะทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทําให้ไม่มีความสุขทําให้จะต้องไปดิีนรนหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจ ทั้งที่สาเหตุที่ทำให้ใจไม่มีความสุขนี้มันเกิดจากความโลภความอยากต่างๆแทนที่เราจะมาหยุดความโลภความอยากเพื่อให้ใจมีความสุขเรากลับไปทำตามความโลภความอยากก็ยังต้องใช้ความคิดในการที่จะไปหาสิ่งที่อยากได้ทำในสิ่งที่อยากได้พอได้ทาแล้วก็ไม่ได้ความสุขอะไรมากมาย ก็ได้ความสุขเดียวยวแล้วเดียวความอยากความคิดก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่อีกก็จะทำให้เราต้องไปทำตามความอยากทำตามความโลภใหม่อีกนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ความไม่สบายใจความไม่สบายใจยนี้ต้องแก้ด้วยการทำใจให้สงบหยุดคิดถ้าหยุดคิดได้ก็จะหยุดความโลภหยุดความอยากได้ พอไม่มีความโลภความอยากใจก็จะไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความหงุดหงิดนำคาญใจหรือไม่มีความไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเราต้องมา ติดเบรกให้กับใจกันมาเจริญสติกันเพื่อเวลาที่ใจเราไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะหยุดมันถ้าเรามีเบรกเราก็จะหยุดมันได้พอเราหยุดความโลภความอยากได้เราก็มีความสุขขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปทําตามความอยากทําตามความโลภเช่นเราอยากได้ตําแหน่งอยากได้เงินเดือนขึ้น ถ้าเรามาหยุดความอยากนี้ได้เราก็จะมีความสุขทันทีโดยที่เราไม่ต้องได้ตำแหน่งไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแต่เรากลับมีความสุขมากกว่าเวลาที่เราได้รับตำแหน่งหรือได้เงินเดือนเพิ่มเพราะมันก็จะเป็นความสุขเดียวเแล้ว เ, เดียวความสุขความอยากที่จะได้ตำแหน่งที่สูงกว่าก็จะเกิดขึ้นมา ความอยากที่จะได้เงินเดือนมากกว่าเดิมก็จะโผล่ขึ้นมาอีกพอโผล่ขึ้นมาใจก็เริ่มไม่สบายอยู่ไม่เป็นปกติต้องไปดินโลนขวนขวายหาตาแหน่งหาเงินเดือนให้ได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่ได้เป็นวิธีหาความสุขแต่เป็นวิธีหาความวุ่นวายใจ เพราะจะต้องดิ้นดนหาอยู่เรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็จะไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีคำว่าพอแต่จะมีคำว่าอยากได้เพิ่มมากขึ้นอย่างโบราณที่ได้พูดไว้กันว่าได้คืบก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วานี่คือเป็นธรรมชาติของความอยาก ควมอย่างนี้จะขยายแผ่ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆน้ำในมหาสมุทนี้ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันจะกว้างขยายตัวออกไปเรื่อยๆแล้วจะทาให้ใจนี้ต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยๆ อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาต้องไปดินน้นรนหาสิ่งที่อยากได้มาแล้วได้มาก็ดีใจเพียงเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะมาเป็นสิ่งที่ทำให้ใจต้องทุกข์อีกเพราะเมื่อได้อะไรมาก็อยากจะ รักษาเอาไว้ให้อยู่กับตนไปเรื่อยๆแต่ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วก็อาจจะเสื่อมไปหมดไปได้เวลาเสื่อมไปหมดไปก็จะเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาเช่นตำแหน่งต่างๆเงินเดือนต่างๆ ก็เวลาที่อายุ60สไปแล้วตำแหน่งต่างๆเงินเดือนต่างๆก็จะหายไปหมดไปความสุขที่ได้จากตำแหน่งจากเงินเดือนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเราจึงควรที่จะมาติดเบรกให้กับใจกันติดเบรกเพื่อหยุดความอยากหยุดความคิด ความอยากนี้เกิดจากความคิดถ้าเราไม่ได้คิดถึงตำแหน่งไม่ได้คิดถึงเงินเดือนความอยากได้ตำแหน่งอยากได้เงินเดือนมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดป่าบมันก็จะทำให้เราอยากได้ทันทีอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอยากได้ตาแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เราต้องไปขวนขวายไปแสวงหากัน หาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเป็นเหมือนกับการเดินตะครุบเงาเงาที่ทอดไปข้างหน้าเหล่านี้เวลาเราเดินไปหามันมันก็จะเดินหนีเราไปเราจะไม่มีวันที่จะจับเงาของเราได้มันจะอยู่ข้างหน้าเราเสมอความอยากต่างๆนี้ก็เหมือนกันมันจะไม่ทาให้เราได้พบกับความพอ แต่มันจะทําให้เราอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้มันอยู่กับใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้ก็เลยดึงใจให้ไปเกิดใหม่ให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาพัาดพลากจากสิ่งต่างๆใหม่ซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายไม่มีใครอยากจะพัาดพลาดจากกันแต่โดยธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคนนี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย มีการพัดพลาดจากกันอันนี้จึงทําให้พวกเราต้องมาพัฒนาจิตใจมาทําใจให้สงบทําใจให้สงบเพราะถ้าเราทําใจให้สงบได้ใจจะมีความสุขมากนั่นเองเวลาเรามีสติมีพุทโธเวลานั่งสมาธิหลับตาบริกรรมพุทโธไปไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ พอจิตรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะมีความสุขมีความสุขที่ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่านังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่านาัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีความสุขดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบ ความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีที่สุดและเป็นความสุขที่จีรังถาวรที่จะอยู่คู่ไปกับใจที่จะพาให้ใจไปสู่พระนิพพานนี้เองก็คือความสงบของใจแต่ความสงบความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้เป็นความสงบชั่วคราวเวลาจิตรวมลงเป็นสมาธิก็จะได้พบกับความสุขอันนี้ แต่พอถอนออกจากความสงบมาความอยากต่างๆความโลภต่างๆนี้ยังไม่ได้ตายไปก็จะออกมาทำงานตามความคิดถ้าเผลอปล่อยให้คิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกิดความอยากเกิดความโลภขึ้นมาทันทีเพราะการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบนี้ไม่ได้เป็นการทำลายความโลภความอยากต่างๆ เป็นเพียงแต่ระงับเอาไว้ชั่วคราวเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาหินทับหญ้าไว้ในหญ้าก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่เวลาเอาหินออกไปหญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้พ่อรากยังไม่ตายฉันใดความโลภความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิมาพอเผลอปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาได้ถ้าอยากจะทำลายความโลภความอยากก็จำเป็นที่จะต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริง ทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของความอยากและสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ว่าความอยากนี้จะทำให้ใจมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจมีแต่ความหิวความต้องการแบบไม่มีขอบไม่มีเขตแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะทำให้ใจทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ได้มาเป็นของไม่เที่ยง ไม่ได้เป็นของที่จะอยู่กับใจไปตลอดได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภ่าจากกันเช่นตาแหน่งต่างๆเวลาได้มาก็จะอยู่กับเราไปชั่วระยะหนึ่งแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภ่าจากกันเวลาทำ ง, งานครบอายุกเกษียณราชการตาแหน่งต่างๆที่ได้ก็จะ หมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปเวลานั้นก็จะมีความ เ, าเสียใจนี่คือถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาเราก็จะได้ยับยั้งความอยากต่างๆเราจะรู้ว่าการไปทำตามความอยากนี้เป็นการไปสู่ความทุกข์ใจไม่ใช่ไปสู่ความสุขใจการไม่เดินตามความอยากนี้ เป็นการไปสู่ความสุขใจเพราะใจของผู้ที่สิ้นความอยากเช่นพระพุทธเจ้าและพระอานันตสาวกทั้งหลายนั้นเป็นใจที่มีบรมมาสุขนที่เรียกว่านิบานังปลมังสุขขังนิบานังปลมังสุขขังก็คือใจที่ปราศจากความอยากเรียกว่านิพานใจที่ไม่มีกิเลสตัณหานี้ท่านเรียกว่านิพาน เมื่อเป็นนิพพานก็จะเป็นปลมังสุขขังเป็นบรมมาสุขนี่คือความสุขที่แท้จริงเกิดจากการใช้สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเมื่อใจไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ ก็จะหมดทุกหมดเศร้าหมดโศกทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดถ้ายังมีความอยากอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีการมาเกิดอยู่เมื่อมาเกิดแล้วก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเสมอมีความพัดพากจากการตามมาเสมอนักปราดจึงไม่มาเกิดกันด้วยการ จเจริญสมถภ า, าวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คือบุญหลักที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันสมอย่างอย่างที่สี่ก็คือให้เราฟังเทศฟังธรรมกันบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม เพราะถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราไม่จะไม่รู้จักวิธีทําบุญกันนั่นเองเราอาจจะหลองคิดว่ากินเจแล้วเราก็จะได้บุญโดยที่เราอาจจะไปไปตบยุงไปฆ่ามดหรือไปทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเราก็อาจจะคิดว่าเรายังมีบุญอยู่เรายังทําบุญอยู่เพราะเรากําลังกินเจกันอยู่ การกินเจนี้ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดการรักษาศีลต่างหากเป็นบุญการทำทานนี่เป็นบุญการภาวนาการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้เป็นบุญและการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญเพราะจะทำให้เราได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นเรื่องของการกินเจกับ กับเรื่องของการทำบุญต่างๆว่าการกินเจนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญแต่อย่างใดนอกจากว่าถ้าเราเคยฆ่าสัตว์เพื่อนำอาหารมาเพื่อนาเอาเนื้อสัตว์มาเป็นอาหารแล้วเราเลิกฆ่าสัตว์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเพราะเราเลิกฆ่าสัตว์ไม่ใช่เพราะว่าเรากินเจ การกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้เป็นบาปถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วที่คนอื่นเขาฆ่าแล้วแล้วเ้าเอามาขายอคนซื้อนี่ไม่มีบาปแต่อย่างใดคนที่ฆ่าคนที่เอามาขายนั้นเป็นคนทําบาปเวลาฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักบุญว่าอะไรคือบุญกันแน่จะเราจะได้รู้ว่าการกินเจนี้ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใด บุญนี้ต้องเกิดจากการไม่ทำบาปบุญเกิดจากการทำทานบุญเกิดจากการภาวนาบุญเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้วิธีทำบุญที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดบุญขึ้นมาภายในจิตใจของพวกเรา นี่คือบุญหลักสี่ประการด้วยกันที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามทํากันอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกับการรับประทานอาหารทําทุกวันทำท ำ, ทำบุญทํา ท, ทานทุกวันใส่บาตรแบ่งเงินไว้ก้อนหนึ่งไว้สําหรับทําบุญวันละเล็กวันละน้อยแล้วแต่เราจะศรัทธาอยากจะทําบุญกี่ตังก็เอาใส่ไว้ในกล่องก่อน แยกไว้ว่าเป็นเงินทำบุญแล้วพอเรามีโอกาสไปวัดหรือมีโอกาสจะไปทำบุญที่ไหนก็เอาเงินนั้นไปทำบุญได้ไม่จำเป็นจะทำกับวัดก็ได้ถ้าอยากจะทำบุญกับโรงเรรียนทบบุญกัโงพยาบาลทำบุญกับองค์กรสาธารนณะประโยชน์ต่างๆก็สามารถทาได้ได้บุญเหมือนกันทาทุกวันมันจะทำให้ติดเป็นนิ ส, สัย แล้วจะทำให้ทำบุญง่ายถ้านานๆานทำทีนี้มันจะทำยากเพราะกิเลสตัณหาความอยากความหวงความตนีนี่มันจะมาคอยสกัดไม่ให้เราได้ทำบุญแล้วเราก็จะไม่ได้รับอันนี้สงจากการทำบุญเช่นตายไปเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ตายไปเราก็อาจจะกลับมา ไปเป็นเปรตแทนเพราะเราไม่ได้ทําบุญมัวแต่ทําบาปด้วยความโลภทําบุญรักษาศีลก็รักษาเป็นประจำํำศีลก็มีอยู่สองระดับศีลของนักบุญกับศีลของนักบวชวันปกติเราก็ถือศีลของนักบุญก็คือศีลห้าส่วนวันพระวันหยุดทํางานเราก็มาหัดเป็นนักบวชกัน มหัสภาวนามาถือศีลของนักบวชก็คือถือศีลแปดมาละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเหมือนยาเสพติดแล้วมาภาวนาสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้สงบแล้วก็จเจริญปัญญาด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาขั้นต้นก็เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่า อะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุของความสุขเพื่อเราจะได้ละต้นเหตุของความทุกข์แล้วมาสร้างต้นเหตุของความสุขกันละต้นเหตุที่จะทำให้เรามาเวียนไหวตายเกิดกันอันนี้ต้องเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาการต้นก็ต้องฟังจากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก แล้วพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำมามาทาการบ้านด้วยการค่อยควรคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราไม่หลงไม่ลืมว่าบุญเป็นอะไรการทำบุญต่างๆมีกี่ชนิดทำอย่างไรบ้างทำมากทำน้อยบุญไหนเป็นบุญหลักอันไหนบุญเป็นบุญเสริมบุญหลักก็มีอยู่สี่ข้อนี้ ส่วนบุญเสริมก็มีเช่นบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเวลาที่เราทำทานแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปได้เพื่อผู้ที่ร่วงรับไปนั้นไม่มีบุญติดตัวไปเขาก็จะไปอยู่แบบขอทานในโลกในโลกทิพย์เราก็สามารถแบ่งบุญที่เราทำนี้ส่งไปให้เขาก็จะทำให้บรรเทาความทุกข์ยากลาบาก ให้แก่ดวงวิญญาณ น, นั้นได้เรียกว่า บ, บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญแล้วก็บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเวลาผู้อื่นทำบุญเราก็แสดงอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีไปการชื่นชมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่น<ๆ>ก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วก็ให้เรา ทำบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นบุญอีกอย่างหนึง่งแล้วก็บุญที่เกิดจากการมีความออมนอนออมนอนถอมตนมีสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ํามีความเคารวต่อผู้ที่มีความ ฐานะที่สูงกว่ามีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็จะทำให้เกิดมีความสุขใจขึ้นมาแล้วก็บุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจก็ไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปถ้ามีความเห็นแบบนี้ก็จะทำให้ไม่ทำบาปจะทำให้ทําบุญจะทำให้ภาวนาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นที่เราเรียกว่าธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเช่นญาติโยมก็จะนิยมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายกันเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคุณประโยชน์มากกว่าข้าวของเงินทองต่างๆข้าวของเงินทองนี้ก็จะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถมาบรรเทาความทุกข์ทางใจได้ มีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ผู้ที่มีความทุกข์จึงต้องพึ่งธรรมะแล้วถ้ามีธรรมะมีหนังสือธรรมะให้อ่านมีมีธรรมะให้ศึกษาก็จะได้รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นบุญเสริมคือเราทาไปตามโอกาสที่มีโอกาส เช่นวันนี้เรามาทำบุญแล้วเดี๋ยวเราก็อุทิศบุญได้หรือเวลามีเพื่อนผูงเขาไปทำบุญเราก็อนุโมทนาแสดงความยินดีไปกับเขาหรือเวลามีใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือพอเราพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเวลาเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ทำตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้มีสัมมาขรารวะนี่คือบุญที่เราทำไปตามตามโอกาสส่วนบุญที่เราทำเป็นประจำนี้ก็ควรจะทำคือทานศีลภาวนาและการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่แหละเป็นบุญที่แท้จริงไม่ใช่เกิดจากการกินเจแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ชาวพุทธเรากินเจ เพราะท่นเห็นว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นที่มันไม่ได้เป็นบุญแต่สอนให้พวกเราไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนถ้าเราต้องทําอาหารด้วยตนเองต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็อย่าไปฆ่าถ้าอย่างนั้นก็ให้กินเจไปให้กินมังสวิรัตอย่าไปฆ่าสัตว์เพื่อเอามาทําเป็นอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นบาปแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้กินเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้ว ที่ตายโดยที่เราไม่ได้ฆ่าเองหรือตายโดยที่เราไม่ได้สั่งให้ผู้อื่นฆ่าอันนี้กินได้ไม่มีไม่ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดกินเจกินผักก็ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดถ้ากินเจกินผักเป็นบุญพวกวัวพวกควายเขาก็ต้องได้บุญมากกว่าพวกมนุษย์เราเอพวกมนุษย์เรานี้กินเนื้อสัตว์กันแต่พวกสัตว์นี้พวกวัวควายนี้เขาไม่รู้จักบุญต่างๆ ปัวควายนี้เขาก็ยังทําบาปอยู่เช่นเขาก็ไปกินข้าวในนาของคนอื่นยก็เป็นเรียกว่าเป็นการขโมยเขาก็ยังประพฤติผิดประวเวณีอยู่เขาก็ยังฆ่าสัตว์กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ยังไม่ถือว่าเขามีบุญแต่อย่างใดจากการที่เขากินผักกินหญ้าการกินผักกินหญ้าจึงไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดการกินเจก็ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดนะ ถ้าอยากจะเป็นบุญนี้ต้องทําบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำสิบประการนี้คือหนึ่งทานบุญที่เกิดจากการให้ 2. สองศีลบุญที่เกิดจากการละเว้นจากการกระทําบาปสบุญที่เกิดจากการภาวนาพัฒนาจิตใจให้สูงให้สว่างให้หลุดพ้นจากความทุกข์สี่บุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรม หาบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ 6. บุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 7. บุญที่เกิดจากการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่น 8. บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 9. บุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องและ10บบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น นี่คือบุญสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทากันอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือเรื่องของธรรมที่ได้ยกมาสแสดงในวันนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจพอดีก็เลยอยากจะให้ผู้ฟังทั้งหลายได้มีความเห็นที่ถูกต้องกัน แต่ได้ไม่เป็นหลองคิดว่าการกินเจเฉยๆนี้เป็นบุญการกินเจเฉยๆนี่ไม่เป็นบุญถ้ากินเจแล้วต้องรักษาศีลด้วยถึงจะได้บุญก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลำดับตอไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบถ้าท่านใครอยากจะถามก็เข้ามาถามได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรได้ถามก่อน Madam, you want to ask question? I just came to pay respect to you. Okay, you speak close to the microphone. I want to pay respect to you. Um, I already have uh, asked a lot of questions through Facebook. I see. Was <laughs> the answer satisfactory? y yeah. e Okay, good. I. Have you read some of my books before? Uh, all a long time ago. a I um, v e been asking you if I could come here, but with the physical condition, it was not possible. You told me that was not possible. It's not impossible, yeah. but it might be difficult. Yeah. So I, I've been asking. Um, I'm going for one month to a j a n d u n Monastery tomorrow. Uh -huh. And after what, Pabantan with Sergeant Martin for five months. Okay, good. I'm glad you find a place to go to. I hope that will be all right. Okay. Stay as long as possible. As long as I can with the visa. I mm -hmm. would like to to stay, but it's difficult. Uh -huh. Even condition for non, that's not very easy. Mm-hmm. There's, wherever there's a will, there's a way. Yeah. I know. Dharma has a lot of imagination and possibilities that we don't have. Uh -huh. So I'm confident yeah. in that. Yeah. Building the right condition. Yeah. yeah. I think things will happen when you start looking for them. Yeah. Okay. It's incredible. I'm here. Yeah. It's in in the v i n g For me, it's in the living that I m here. Yes. It's Miracle. <laughs> mm -hmm. Can you support yourself, or you need somebody to help you? A Thai woman. It's from Facebook. I see. Uh, is helping me. Helping you. Yeah. Mm -hmm. I see. Okay. Uh -huh. ที่นาวัดก็มีศูนย์ผู้สูงอายุอยู่ติดกรรงพยาบาลก็มีห้องพักให้ค้างแหลมได้ลองไปติดต่อที่ศูนย์ผู้สูงอายุที่นาวัดเนี่ยวัดยานสังวราลามถามก็ดูศูนย์ผู้สูงอายุสมเด็จพระสังฆราชเ็าจะมีที่พักมีห้องปรับประกาศให้พักนอนได้โอเค okay. okay, I have to let other people ask questions คำถามจากทางบ้านจากคุณเฟิร์นสุขโตเคยอ่านเจอว่าหลวงปู่ข่าวมีโทสะจริตเลยไม่สงบหลวงปู่มั่นเลยแนะนำให้เจริญเมตตาการนั่งสมาธิโดยการเจริญเมตตานี่ทำอย่างไรคะก็ให้ท่องบทบทที่สอนให้สวดแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหตุสัพเพสัตตาอั บ, บยาปชาโนตุ ก็เป็นเหมือนคําบริกรรมแทนที่จะอยู่กับพุทโธก็ให้อยู่กับสัพเพสัตตาอเวราโหตุถ้าเข้าใจความหมายก็ยิ่งดีคนรจะเข้าใจความหมายเพราะเราจะได้ละโทสะได้เส้นสัพเพสัตตาอเวราหตุมีความหมายว่าขอให้เราอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าใครเขาทําให้เราโกรธ ทำให้เราเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ให้อภัยเขาอย่าไปถือโทษกดเครื่องคิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่เรามามาประสบกับสิ่งที่เสียหายกับเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปมีเรื่องมีราวมันก็จะเรื่องก็จะสงบลง ถ้าเขาทำร้ายเราเราปากกลับไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราอีกก็จะเพิ่มการความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปอย่างที่เขาพูดว่าน้ำเพรืองดเดียวก็ทำให้เกิดสงครามขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีการให้อภัยไม่จองเวรกันทุกอย่างก็จะยุติอย่างเรียกว่ายุติธรรมยุติด้วยการไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกัน คำถามจากคุณนันทิดาตอนนี้จิตของลูกทุกข์มากเจ้าค่ะมันอยู่แต่กับอดีตเมื่อก่อนลูกทำงานอยู่ชนบุรีพอมีเงินเดือนกินใช้ปจัจจบันลูกลาออกจากงาน กลับมาอยู่ดูแลแม่ที่อุดรบ้านเกิดลูกทางานอยู่ชนบุรี15หปีมีเงินเก็บกลับมาสองแสนทองห้าบาทมาลงทุนค้าขายเพื่อที่จะอยู่กับแม่แต่กิจการไม่เป็นอย่างที่คิดเลยปัจจุบันเงินเก็บหมดทองก็จำนำทั้งหมดบางครั้งลูกรู้สึกลันทดใจมากค่ะเมื่อก่อนที่ลูกทำงานรู้สึกว่าตัวเองอยู่สูงมากแต่ปัจจุบันอยู่ต่าสุด เงินในกระเป๋าแทบจะไม่มีเลยจิตของลูกมันทุกข์มากอยากกลับไปเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำงานดีๆมีเงินเดือนเยอะๆทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้ลูกรู้สึกว่าเหมือนตัวเองตกต่ำทำอะไรก็ไม่เจริญมันคือวิบากกรรมของลูกหรือเปล่าคะลูกจะแก้ยังไงกับจิตของลูกคะก็วิธีแก้ความทุกข์ใจของเราเราก็อย่าไปมองคนที่เขาดีกว่าเรา หรืออย่าไปคิดถึงอดีตที่ดีที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้คิดมองคนที่เขาแย่กว่าเราลำบากกว่าเราเช่นคนพิการคนหูหนวกคนตาบอดคนขอทานเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตดำรงชีวิตของเขาอยู่ได้เขาก็ยังมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักทําใจให้พอพอใจกับเหตุการณ์กับสถานภาพของเรา เรามีน้อยเราก็ใช้น้อยอยู่แบบคนยากจนไปอย่าไปอยากกลับไปอยู่แบบคนรวยคนมีเงินเพราะมันจะทั้งสร้างความทุกข์ใจให้กับเราความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากการรวยหรือการจนคนรวยก็ทุกข์ใจได้เพราะบางคนรวยแล้วก็ยังไม่พออยากจะรวยมากกว่านี้ก็ทําให้เขาทุกข์ใจได้จะยกตัวอย่างเรื่องคนสองคน ที่มีเงินจำนวนเท่ากันมีเช่นมีมีคนละหนึ่งล้านเท่ากันสมมุติหนึ่งล้านคนหนึ่งมีความสุขคนหนึ่งมีความทุกข์คนที่มีความสุขเพราะว่าเมื่อก่อนเขามีแค่แสนเดียวแล้วเข้าได้มาเก้าแสนเขาก็เลยได้เงินหนึ่งล้านส่วนในคนหนึ่งนี้ทุกข์กับมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อก่อนก็มีสิบล้านเดี๋ยวนี้เขาเหลืออยู่ล้านเดียว ความสุขมันไม่ได้อยู่ความสุขความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่เรามีมันอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราอยากแล้วเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีงนั้นขอให้เราให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยากถ้าอยู่กับความจริงได้มันก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยู่กับความอยากมันก็จะทุกข์ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยคำถามจากคุณขันติพง์ เมื่อถูกที่เราพิจารณาเห็นแล้วก็วางแต่มักจะลืมหรือเสื่อมไปเป็นเพราะอะไรครับถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็หายไปพอเราไปคิดถึงมันก็เกิดความอยากขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคำถามจากคุณกรโงกวันเคยนั่งสมาธิดูลมหายใจจนรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจหายใจอ่อนมากมีความสุขสงบ ขนาดนั้นเราต้องปฏิบัติอะไรต่อไหมคะก็ให้มีสติดูลมไปเรื่อยๆ ด, ดูไปจนกว่าไม่มีลมจะดูก็ให้ดูความว่างไปคำถามจากคุณลัลงศิริลักษ์จะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะใช้ร่างกายเป็นวดัดและใจเป็นพระเพราะผมอยากปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีปัจจัยในการไปวัดครับ การไปวัดนี่คนคนที่ไปวัดเขาไม่มีปัจจัยกันหรอคนที่ไปบวชเขาสละสมบัติหมดเขาไม่เอาเงินเอาทองไปเขาเอาศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเอาวิริยะความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะไปอยู่วัดก็ไปบวชถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็บวชง่ายกว่าเป็นผู้หญิงคําถามจากคุณชัยประภา โยมปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่โยไม่เคยรู้สึกว่าสงบจริงๆสักครั้งส่วนใหญ่จะมีแต่ความคิดความฟุง้งมีความรู้สึกอึด อ, อัดปวดศีรษะไม่ค่อยรู้สึกสบายและโยมีความรู้สึกว่าตนเองติดเพ่งโยมควรจะแก้ไขยอย่างไรดีคะคือการที่ใจเราไม่หยุดคิดก็เพราะเราไม่มีเบรกคือไม่มีสตินั่นเองเราจึงต้องมาสร้างสติกันก่อน วิธีสร้างสติก็ให้เราหมันระลึกถึงคําใดคําหนึ่งให้ไว้เป็นอารมณ์กํากับใจเช่นระลึกถึงคําพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ให้อยู่กับพุทโธไปเช่นเวลาเราอาบนา้ําล้างหน้าแปรงฟันอย่างนี้ก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆให้ใช้พุทโธดึงเอาดึงใจไว้ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ ถ้าทอย่างนี้ไปต่อไปเราก็สามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ที่เราหยุดกันไม่ได้เพราะเราไม่มีสติสติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีพุทธโธยันต้องหมั่นพยายามเจริญพุทธโธอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณทีรัตทุกครั้งที่ผมนั่งสมาธิผมมักจะพิจารณามรานานุสติตะกก่อนพะผมรู้สึกว่ามันสงบ ผมค่อยดูลมหายใจต่อไม่ทราบว่าวิธีทาวิธีนี้ทำได้ไหมครับได้ <c oughs> คกอในที่สุดเราก็ต้องมาเพ่งดูอย่างใดยอย่างหนึง่ง <uckles> เพ่งอย่างเดียวเช่นดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวเพราะถ้าเราต้องการให้จิตรวมเป็นหนึ่ง <c oughs> ให้จิตสงบงอย่างเต็มที่นี้ <c oughs> ต้องไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆคำถามจากผู้ฝากถาม คุณแม่อายุ85ปีความจำเริ่มจะคิดถึงคนในอดีตในปัจจุบันจะหลงลืมจำไม่ค่อยได้เห็นญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วแสดงว่าจิตเริ่มไม่อยู่กับปัจจุบันสัญญาเก่ามาแทนปัจจุบันกายกับจิตเริ่มแยกจากกันแล้วใช่ไหมคะอ๋อกายกับจิตก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่จแยกก็ต่อเมื่อเวลาตายไปจากกันไปเองแต่ตอนนี้ความจาเริ่มเสื่อม จำเรื่องราวต่างๆในอดีตไม่ได้เป็นธรรมชาติของของสัญญาความจำเป็นอนิจจาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งที่ผ่านมามักจะได้ยินคนชวนไปร่วมงานบุญใหญ่การที่เราไปร่วมงานนั้นมีผลต่าง ก, ก, กันกับที่เราสลาทรัพย์เพื่อทำทานทั่วๆไปไหมคะไม่หรอก บุญที่เราได้รับนี้อยู่ที่ประมาณเงินที่เราสละไปไม่ว่าเราจะไปร่วมบุญใหญ่หรือบุญเล็กบุญน้อยมันอยู่ที่จำนวนเงินของเราอยู่ที่สิ่งของของเราที่เราสละไปถ้าเราสละมากมันก็บุญมากถ้าสละน้อยมันก็บุญน้อยไม่ว่าเราจะไปทำกับบุญใหญ่หรือบุญเล็กเช่นเราไปทำบุญกฐินหรือไปทำบุญกับผ้าป่าหรือไปทำบุญกับการเปิดโรงทานอย่างนี้ มันก็เป็นบุญเหมือนกันมากน้อยอยู่ที่จำนวนเงินทองเข้าของที่เราเสียสละไปข้อที่สองเคยได้ยินว่าการได้นั่งสมาธิพร้อมหรือใกล้ขูบาอาจารย์ก่อนท่านจะส่งพลังให้เราให้เราได้รับพลังจากท่านหรือตอนท่านแผ่เมตตาอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมคะ อันนี้เป็นความเชื่อและอาจจะเป็นจิตวิทยาเวลาที่เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราอาจจะมีความยำเกรงท่านก็เลยทำให้เรามีสติสตังไม่เผลอพลังปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยก็ทำให้ใจเราสงบได้ง่ายขึ้นถ้าเราอยู่ตามลาพังเราไม่มีใครมาให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องระมัดระวังเราก็เลยปล่อยใจ ใ่ก็เลยคิดฟุ้งซ่านได้แต่การภาวนาที่แท้จริงในที่สุดเราก็ต้องภาวนาคนเดียวนั่งคนเดียวเพราะเราจะมารอให้ท่านมานั่งอยู่กับเราตลอดเวลานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เราจะนานๆถึงจะได้มีโอกาสเข้าหาครูบาอาจารย์เข้ากราบฟังเทศฟังธรรมสักครั้งหนึ่งหรือนั่งนั่งสมาธิกับท่านแต่ โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องนั่งตามลำพังฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติให้มากเพราะสตินี้แหละที่จะทำให้ใจเราสงบได้คำถามจากคุณเอื้อพรถ้าไม่สะดวกไปวัดจะปฏิบัติเองที่บ้านได้ไหมคะได้จะจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าสถานที่แต่ละที่นี้อาจจะเอื้อหรืออาจจะทวงการปฏิบัติของเรา สถานที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติก็ต้องเป็นสถานที่ที่สงบไม่วุ่นวายไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีเสียงหรือการขุดคุ้คคมไม่กิจไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆถ้าไปอยู่ที่มีกิจกรรมมีเสียงหรือทึกข์คุคมมันก็จะทำให้การปฏิบัตินิยากทมใจให้สงบได้ยากกว่าคำถามจากคุณสว่างนั่งปฏิบัติตอนดึกๆรู้สึกว่าใจสงบ สบายแม้กระทั่งสับประโกเราก็รับรู้และกลับมาดูลมหายใจต่อซึ่งยังรู้สึกว่าใจสงบอยู่อาการแบบนี้พอจะเรียกว่าเป็นสมาธิใหม่คะก็สงบบ้างสับประงกบ้างก็สลับกันไปอยู่ที่สติเวลาเผลอสติก็จะสับประงกเวลามีสติก็จะสงบยังไม่ดีควรจะไม่สับประงกบควรจะสงบเพียงอย่างเดียว คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคุณแม่ทำแต่บุญไม่เคยฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจะทะเลาะกันประจำทุกอย่างทราบดีว่าแก้ไขท่านไม่ได้เมื่อมาพิจารณาตนเองแล้วก็คิดได้แต่ว่ากรรมของท่านช่วยท่านไม่ได้เพราะแม่มองแต่ด้านลบ ท่านไม่เคยยอมรับความเป็นจริงท่านจะชอบความมีหน้ามีตาในสังคมสรุปท่านมีแต่ความอยากท่านปล่อยวางไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นอัตราสูงที่ท่านมีแต่ความทุกข์ พราะท่านไม่ยอมความอยากติดในจิตท่านแบบออกไม่ได้แล้วเวลาเห็นท่านแล้วไม่รู้จะช่วยท่านอย่างไรเพราะท่านทํากรรมของท่านเองจะช่วยท่านก่อนสิ้นลมแบบสงบได้อย่างไรโดยไม่ทุรนทุายคะก็ช่วยได้ทางร่างกายท่า น, นั้นแหะก็คือช่วยดูแลท่านหาอยู่ค้ายาหาอาหารมาให้ท่าน แต่เรื่องจิตใจนี้ถ้าท่านไม่รับธรรมะก็ก็ช่วยไม่ได้คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งกราบเรียนถามความต่างกันของคําว่าอุปาทานกับภาระหน้าที่ค่ะสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมควรวางใจอย่างไรคะคือภาระหน้าที่เกิดเป็นสิ่งที่เราต้องทํากันเช่นภาระหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรา ภาระหน้าที่ดูแลความสะอาดของที่พักเสื้อผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องทำการไม่ทำนี้ก็ถือว่าละการละภาระหน้าที่การทำไม่ได้ถือว่าเป็นการมีอุปทานมีความยึดติดในหน้าที่มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำทำด้วยเหตุด้วยผลจะไม่เป็นอุปทานถ้าทาด้วยไม่มีเหตุไม่มีผล ถึงจะเรียกว่าเป็นอุปทานเช่นกินกาแฟอย่างนี้ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องกินอะไเรียกว่าติดกาแฟข้อที่สองการตัดอุปทานความยึดมั่นในตัวบุคคลด้วยการมองว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องทำจนกระทั่งเรามองเห็นคนทั้งหลายเป็นธาตุสี่ไปตลอดเลยใช่ไหมคะ แต่เฉพาะคนที่เราไปยึดติดก็พอเพราะมันก็เหมือนกันถ้าเราเห็นคนหนึ่งเราก็จะเห็นทุกๆคนเหมือนกันหมดเพราะร่างกายของทุกๆคนนี <tem> ่เหมือนกันมาจากดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้เขาไม่เป็นดินน้าลมไฟให้เขาอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ อันนี้ก็จะมีคำถามที่ถามสดทางบ้านต่อองขณะนี้สาม้อยห้าท่านครับระจารสูงสุดที่สี่ร้อยหตอนนี้เรายังมีถ่ายทอดสดทาง Facebook กอบ YouTube อยู่มีท่านผู้ฟังส่งคมถามเข้ามาถ้าท่านอยากจะฟังต่อก็ฟังได้นะได้ ญาติกับตามอาจารย์นะครับกรณีผู้พากษาพิจารณาพิาพ า, ากษาคดยียาที่มีโทษสูงโดยกฎหมายกําหนดโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตเมื่อพวกษาพิจารณาแล้วทั้งพยานโจทย์พยานจําเลยแล้วเห็นสมควรว่าจําเลยนี้ทําความผิดจริงตามฟ้องก็ลงโทษประหารชีวิตเมื่อลงโทษประหารชีวิตแล้ว ก็ส่งสำนวนไปให้อธิบดีพวกสาภาคตรวจอธิบดีพวกสาภาคท่านก็ตรวจสำนวนก็มีตำเห็นพ้องด้วยก็ตีสั่งออกแล้วก็ส่งสำนวนมาให้ทางพวกสาอ่านคำพิพากษาให้จำเลยและโจทก์ฟังใครถามว่าทางพวกสาและอธิบดีจะการทำหน้าที่อย่างนั้นจะมีบาปไหมครับ ถ้าพูดตามหลักของข้อศีลและธรรมมันก็บาปเพราะเป็นการทำให้ <c oughs> เขาเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผล ก, กลไกใดก็ตามก็ถือว่าบาปเพียงแต่ว่ามันมีหนักมีเบาถ้าเราทำตามหน้าที่นี้มันไม่หนักเหมือนกับเราทำด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทแต่มันก็ยังมีส่วนในการที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียชีวิต อาชีพเหล่านี้จึงถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรทําถ้าเราไม่อยากจะทําบาปเช่นอาชีพทําน่วยทหารนี่ก็ยังเสี่ยงต่อการทําบาปอยู่เพียงแต่ว่าการทําบาปนี้มันไม่หนักหนาเหมือนกับการที่เราไปทําด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือด้วยความโลภหรืออะไรต่างๆทําด้วยเหมือนกับเป็นอาชีพนี่ทำไปก็ ถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนเดลาชานโวษก็จะเป็นไปเป็นเดลาชานเ ว, าเวลาเกิดตายไปแล้วเพราะเดละาชานนี้เขาก็เลี้ยงชีพด้วยการทำร้ายชีวิตของผู้ที่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดตามหลักทำนะก็จะเชื่อไม่เชื่ อ, อตอมาก็ไม่ทราบจะจ ะ, จะตอบอยังไงดีก็ตอบไปตาม แต่หน่าต้องหน้าที่รักษาเป็นกฏกาง<ะ>ในสังคมก็ทำหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการเสียสละไปะก็มีส่วนที่เป็นบุญด้วยทำหน้าที่ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้อยู่อย่างมีความสงบให้ทุกคนเคารพกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็ไปทำทำร้ายชีวิตของผู้อื่น แต่ก็อาจจะแบ่งกันเพราะว่าไม่ได้ทำคนเดียวหลายคนมีถึงผู้ประหารชีวิตด้วยก็ถ้าเปลี่ยนกฎหมายว่าไม่มีการประหารชีวิตเลยก็ให้ให้จำจาคุกตลอดชีวิตไปถ้าเราเป็นเมืองพุทธเราเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเราก็อย่าไปประหารชีวิต ลงโทษได้ด้วยการจำคุกตลอดชีวิตไปซึ่งเดี๋ยวนี้นานาประเทศที่เขาเจริญเขาก็มักจะเลิกใช้การประหารชีวิตในการเป็นการลงโทษครับก็การเปลี่ยนกฎหมายคงจะเป็นเรื่องของสภานิปัญญัตึ่งเป็นตัวแทนประชาชนนะคะรับเพาทุกคนมีส่วนหมดนะประชาชนก็มีส่วนด้วยที่ไปให้มีกฎ กฎมายนี้ออกมาเพราะประชาชนก็ได้รับประโยชน์เหมือนกันเห็นทุกคนก็มีส่วนส่วนในการทําบาปด้วยกันเพียงแต่หารก็แล้วก็คนละนิดคนละหน่อยก็ขังขังคุกเหมือนก็อย่าอย่าปล่อยสิเอาแบบเอาแบบเอาแบบแบบท้าววร์สิขั้งแบบท้าววร์ตลอดชีวิตก็คือไม่มีวันจะออกมา กฎหมายทุกงานเขารถให้่ใหมากครับเดียวเดี๋ยวก็ออกใช่ไเลยือนถึงว่าถ้าถ้า เ, าเปลี่ยนกฎหมายไงก็เปลี่นว่าพวกประหารชีวิตนี้เขาจาคุกตลอดชีวิตไม่มีการปล่อยออกมาแทนที่จะฆ่าเขาก็ให้เขาอยู่ในคุกไปประมาณนี่นเยเองกวางเวียนถามพระอาจารย์ครับ อ, อการการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เป็นบาป แล้วถ้าประกอบสามมาอาชีพคือประมาณว่าเท่าที่ผมเห็นก็คือเลี้ยงเป็นฟาร์มกบหรือว่าเลี้ยงงัวหรือว่าเลี้ยงฟาร์มเป็นฟาร์มไก่เพื่อจะส่งขายแต่เราไม่ได้ฆ่าจะเป็นบาปไหมครับเราไม่ได้ฆ่าเองไม่ได้เป็นบาปแต่เป็นอาชีพที่เราไม่ควรทําเพราะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการฆ่ากันเช่นอาชีพที่ทําไปแล้วทําให้เกิด เสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินต่างๆเช่นการค้าสุรายาเมวอย่างนี้ก็ไม่ควรจะค้าเพราะเมื่อคนดื่มสุรายาเมวแล้วก็อาจจะไปขับรถชนคนตายได้หรื อ, อาชีพที่ขายยาพิษขายพวก อ, า, อาวุธต่างๆปืนผาหน้าไม้อะไรทํานองนี้ที่เขาเอาไปใช้ในการทําลายชีวิตกัน อันนี้เราไม่ต้องทำให้คนหนึ่งเขาทำไปใครอยากจะทำก็ทำไปมีอาชีพอื่นที่เราทำได้แต่ถ้าตอนนี้ยังยังเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ก็ทำไปก่อนดีกว่าไปรักขโมยไปทำบาปแล้ววิธีที่จะบรรเทาผลบาปที่เกิดขึ้นกับเราจากการทำบาปก็ให้เราทำบุญให้มากๆ เพราะว่าเวลาที่ร่างกายเวลาใจร่างกายเราตายไปเวลาเวลาใจจะไปใหม่นี้ก็อยู่ที่บุญกับบาปที่เราทำจะมาแย่งใจของเราไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็ยังไม่แสดงผลดึงไปรับผลบุญก่อนถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปไปรับผลบาปก่อนเหมือนกับเป็นมีเกวียนที่มีมีวัวสองตัว ดึงไปคนละทิศคนละทางกันะวัวตัวไหนมีกําลังมากกว่าก็จะดึงเกวียนไปในทางของวัวตัวนั้นบาปกับบุญก็เป็นตัวที่จะมาดึงจิตใจของเราให้ไปสูงไปต่ําแล้วจนกว่าบุญกับบาสมีกําลังเท่ากันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่บุญเก่าบาปเก่าที่ยังไม่ได้ส่งผลก็ยังรอโอกาสส่งผลอยู่ สัทงที่ดีก็อย่าไปทาบาปหรือทำบุญให้มากกว่าทำบาปอย่างว่าบาปจะได้รอลงอายาไปก่อนยังไม่มีโอกาสสะแน่ครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณเป็นจพนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการออกออกบวชบ้าง น, นะครับแต่มีปัญหากับทางบ้านนะครับผมจึงให้ส่งคำถามมาเพื่อถามพระอาจารย์นะครั บ, บผม เดี๋ยวก่อนท่านพิพากษาอยากจะกลับหรือยังกลับก่อนก็ได้นะอ่เชิญตามสบายออได้อนั่งได้นานขนาด น, นี้ถือว่าเก่งนะได้มีโอกาสเชิญได้ทุกวันนะวันธรรมดาก็มาได้วันธรรมดาก็ยังไม่เลิกประชุมนะเพียงแต่บางท่านอยากจะกลับก่อนก็ให้กลับได้เดี๋ยวเรายังมีคําถามตอบ คำถามคำตอบอีกช่วงหนึ่งนะถามต่อได้ครับซึ่งน้องผู้นี้ต้องการบวชบ้าง น, นะครับเคยบวชแล้วแต่ก็ทางบ้านให้ศึกออกมานะครับคําถามคือ ผมเป็นลูกชายคนโตมีน้องสองคนผมมีความตั้งใจที่จะออกบวชแต่พ่อแม่ผมคิดว่าน้องๆยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้การที่ผมออกบวชเป็นความเห็นแก่ตัวที่ผมทิ้งครอบครัวไปสบายคนเดียวและบอกว่าผมเป็นคนอักกตันอยู่วันนี้ผมทะเลาะ ก, กับท่านผมก็บอกว่าจะไปบวช ก็ไปแต่ไม่โหสิกรรมให้นะท่านก็บอกนะครับว่าไม่โหสิกรรมให้ท่านบอกว่าผู้ที่จะบวชต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองในการดูแลครอบครัวดีแล้ว ข้างในใจของผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอักตันยูหรือเปล่าเพราะพ่อแม่เลี้ยงและดูแลผมมาเป็นอย่างดีมากและผมก็ตอบแทนท่านได้แค่เงินเดือนแต่และเดือนที่เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายให้ท่านปัจจุบันพ่อแม่ก็ยังดูแลงานบ้านต่างๆแทนผมซึ่งวันหยุดผมก็ช่วยท่านทำงานบ้านบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับที่พ่อแม่ต้องการผมจึงรู้สึกว่าผมยังดูแลท่าน ไม่ดีพอผมเคยคิดจะหนีไปบวชที่ต่างจังหวัดแต่มีความรู้สึกผิดที่ตัวเองยังดูแลท่านไม่ดีพอตอนนี้ผมสับสนว่าความกระตันยูที่แท้จริงเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้เกิดความพอดีและให้พ่อแม่ยินดีและเต็มใจกับการที่ผมออกบวชก็การบวชนี่ก็เป็นการแสดงความกตันยูก็บแต่เวทีกันไม่ใช่เหรอ ที่ลูกลูกบวชกันนี้ก็บวชให้พ่อให้แม่กันไม่ใช่เหรอนั้นจะไปเรียกว่ า, ากตันยูได้ไหเวลาลูกบวชกันก็มีพ่อแม่ก็ดีออกดีใจที่ลูกได้บวชกันฉะนั้นคนที่ไปเห็นว่ า, ากตันยูก็เป็นแสดงว่าเห็นมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะความเห็นที่ถูกต้องการได้บวชนี้จะเป็นการทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่ได้ดีกว่าการไม่ได้บวช อย่างพระพุทธเจ้านี้ถ้าไม่ได้บวชจะไม่ได้ช่วยให้พ่อแม่ได้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่พอได้บวชได้ปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถช่วยให้พ่อได้หลุดพ้นไปได้ไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นคนที่เห็นว่าเป็นอาการอยู่นี่แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองก็ต้องหาพยายาม <c oughs> พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ อยากจะถาม<ข>เดี๋ยวก่อนมีคำถามจากคุณผู้หญิงนี่กราบเรียนบ้านจ้านะคะคืออยากจะถามว่ากรรมจากการที่เราฆ่างูค่ะแล้วถ้าเรารู้ว่างูนั้นคือเคยเป็นอดีตชาติของเราเนี่ยเราสามารถแก้กรรมยังไงคะอ๋อกรรมแก้ไม่ได้แล้วทำไปแล้วมันก็ต้องส่งผลนะแต่เราก็ช่วยเขาได้ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนบุญไปให้เขาเพื่อเขาขาดบุญแล้ว บุญที่เราส่งไปนี่ก็จะได้ช่วยเขาเหมือนส่งเงินไปให้เขาคนตายนี่ก็เหมือนกับคนออกเดินทางไปต่างประเทศบางทีมีเงินติดตัวไปน้อยถ้าเรามีเงินเราก็ส่งไปเขาก็จะได้มีเงินใช้ได้อย่างสุขอย่างสบายเพราะเขาไม่สามารถหาบุญบุญได้เองจะทำบุญได้ก็ตั้งตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เวลาไปนี้ก็ไปแบบเอาบุญที่มีอยู่ติดตัวไปเท่านั้นจะเพิ่มบุญไม่ได้ แต่เราช่วยเพิ่มบุญให้เขาได้ด้วยการส่งบุญไปให้เขาถ้านั้นเลยก็ทำกรรมมันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอ่าอ่าเทานั้นแ่ะกรรมมันแสดงผลแล้วอย่าทำกรรมต่อไปอย่าทำกรรมนะ พยายามรักษาศินไว้ให้ดีคาถามข้อต่อไปจากคุณจงซีนีนะครับที่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่สูญไปไหนท่านจะมองเห็นพวกเราตลอดเวลาไหมคะออไม่เห็นหรอกเพราะว่าท่านไม่มีร่างกายมันต้องมีร่างกายท่านถึงจะเห็นร่างกายของพวกเราและอย่างหนึ่งท่านก็ไม่รู้จะมาเห็นพวกเราทำไมท่านก็ตัวใครตัวมัน เห็นพวกเราเราทุกข์เห็นทำไมเนี่ยสู้เห็นตัวท่านดีกว่าเห็นตัวท่านแล้วท่านสุขท่านสงบท่านสบายเห็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ท่านจะไม่เห็นท่านจะไม่ไปดูใครนอกจากคนที่มีบุญคุณมากๆท่านนั้นท่านอาจะยังจะส่งกระแสจิตไปหาอยู่ได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ส่งกระแสจิตไปหาพุทธมารดาครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งสมาธิแล้วท่านบอกว่าท่านมีพระพุทธเจ้าเข้ามา พบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะในอดีตอาจจะมีความผูกพันกันมีความสำคัญมีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็เลยทำให้ท่านยังมีความสนใจห่วงใยก็อาจจะติดต่อกันได้แต่สำหรับบุคคลทั่วไปก็ท่านไม่รู้จักท่านก็ไม่รู้จักว่าไปจะไปไปส่งจิตไปหาเขาทำไม ไหนๆก็เรื่องนี้แหละครับพระอาจารย์เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่ส่วนเพิ่งนั่งสมาธิและนิมิตเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แสดงว่าหลงหรือว่าออสามารถเกิดขึ้นได้ครับพระอาจารย์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงต้องคุยกันได้เหมือนกับเราคุยกันตอนนี้แต่ถ้าเห็นวแวบๆแล้วก็ไปนี่บางทีก็ใจเราคิดปรุงแต่งสร้างภาพขึ้นมาเอง คำถามจากคุณปอนะครับที่ฉันทานมังสวิรัตช่วงเข้าปัญษาจุดมุ่งหมายคือการลดความอยากในรสชาติอาหารเท่านั้นแบบนี้ได้หรือเปล่าทำได้แบบไม่ทุกบางมื้อก็งดข้าวเย็นเพื่อให้การถือสินแปดได้มากขึ้นในอนาคต อ, อการลดรสชาตินี้ต้องเอามาคุกเป็นเหมือนข้าวสุนักเลย ของทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องนี่ก็เอามาใส่ในภาชนะอันเดียวกันแล้วก็คุกแล้วก็คนมันเหมือนกับเวลามันเข้าไปในท้องเราอันนี้เป็นวิธีแก้รสชาติไม่ใช้ไปเลือกกินว่าจะเอาแต่ผักไม่เอาเนื้อเอามันทุกอย่างอะจะกินอะไรเข้าไปในท้องนี่เอามาใส่ในชามหรือกละมังก่อนแล้วก็ามาคุกมาคนกันเหมือนกับเราคุกให้สุนัข ก, กินเนี่ย แล้วก็กินเข้าไปแบบนั้นอย่างนั้นเรียกว่ากินแบบทำลายรสชาติคาถามจะคุณแชมป์ข้อที่หนึ่งธรรมชาติของใจนั้นเพียงแต่มีหน้าที่รับรู้ใช่หรือไม่ครับถ้าใช่จะทราบได้อย่างไรว่าใจที่กำลังรับรู้นั้นมีความเป็นตัวตนอยู่หรือเปล่าใจมีทั้งความรู้และความคิดเป็นทำหน้าที่รู้และหน้าที่คิดด้วย นิจใจถูกความคิดหลอกให้คิดไปในทางที่ผิดคิดว่ามีตัวมีตนคิดว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีอันนี้ถูกความคิดหลอกต้องมาแก้ความคิดนี้ใหม่ต้องอาศัยความคิดของพุทธเจ้ามาสอนใจตัวรู้ใหมายว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขที่เป็นทุกข์เพราะว่าเขาไม่เที่ยง เขาไม่ใช่เป็นของเราจะต้องมีการพัดพากจากกันเวลาจากกันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาข้อที่สองต้องพิจารณาอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เห็นแจ้งว่าใจไม่ยึดติด ก, กับความอยากครับเพราะเท่าที่ฟังมาพระอาจารย์มันเข้าใจตอนฟัง แต่ยังไม่ถึงแจ้งแก่ใจครับตอนออกมาใช้ชีวิตปกติใจก็ยังมีความยึดถือยึดติดกับความอยากครับอีกอย่างใจมันยังยึดถือกายนี้ด้วยติดหนึบเลยครับก็ต้องดึงใจออกจากสิ่งต่างๆวิธีจะดึงใจออกก็ต้องทําใจให้สงบเวลาใจสงบรวมเป็นหนึนน่งนี้ใจก็จะปล่อยวางทุกอย่างแล้วพอเรารู้จักวิธีปล่อยวาง เวลาใจจะกลับไปยึดเราก็ใช้ปัญญาดึงไว้อย่าให้กลับไปยึดใหม่ตอนต้นต้องแยกใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการทำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนเมื่อใจสงบเป็นสมาธิแล้วใจก็จะรู้ว่าการแยกจากทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสุขมากกว่าเป็นทุกข์นะครับ แล้วพอออกจากสมาธิมามันจะไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญาเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปยึดยึดแล้วทุกข์อยู่แบบไม่ยึดดีกว่าคำถามจากคุณกุญยกรนะครับอนอนกลางคืนกําหนดดูรูปนอนจนหลับไปแต่รู้สึกตื่นบ่อยค่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเตือนก็ตื่นเลย คำถามจากคุณบีการสร้างพระพุทธรูปสร้างเจดีย์จัดเป็นบุญประเภทไหนคะเขาเรียกว่าวัตถุทานคือการให้วัตถุสิ่งของต่างๆนี้ เ, นเรียกว่าวัตถุทานให้อะไรที่เป็นสิ่งของนี้อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี้ถือว่าเป็นวัตถุทานทั้งหมดทานนี้มีอยู่สามชนิดคือวัตถุทานวิทยาทานและธรรมทาน ส่วนทานอีกอันหนึ่งเรียกว่าอภัยทานนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นทานหรือเปล่าเพราะไม่ได้ให้อะไรนอกจากให้อภัยคาถามจากคุณบีอีกข้อนะครับการเก็บเงินที่เจอตามพื้นในที่สาธารณะซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของอย่างนี้เป็นบาปไหมคะก็เป็นการเอาของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตให้เราก็ถือว่าบาป เป็นการลักทรัพย์เป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นเขาไม่ได้อนุญาตคำถามจากคุณอุมาพรด้วยภา ร, ระหน้าที่หลายอย่างต้องดูแลลูกสามคนคนเล็กเพิ่งจะก้าเดือนก่อนนอนพยายามสวดมนต์และสังเกตลมหายใจเข้าออกแต่รู้สึกว่าตัวเองจะหลับเร็วมากคะ่ะต้องทําอย่างไรจึงจะก้าวหน้ากว่านี้ ก็ลําบากเราถ้าเรามีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงเด็กอะไรต่างๆเหล่านี้โอกาสที่จะทําใจให้สงบมันก็ยากกว่าคนที่ไม่มีภาระต่างๆดังนั้นถ้าอยากจะทําใจให้สงบก็ต้องอปลีกวิเวกต้องไปอยู่คนเดียวถ้ายัางไปไม่ได้ก็ต้องทำเท่าที่เราทําได้อยู่ใน ป, ปัจจุบันนี้ไปก่อนจนกว่าเด็กทั้งหลายจะโตขึ้นแล้วแยกไปอยู่ของเขา แล้วปล่อยให้เราอยู่ตามลาพังตอนนั้นเราถึงจะสามารถทำใจให้สงบได้คำถามจากคุณเหมียวนะครับถ้าเราคิดไม่ดีแต่มีอีกความคิดพยายามค้านว่าคิดไม่ดีอยู่แบบนี้ถือว่าเราบาปหรือเปล่าคะและต้องทำอย่างไรแก้ไขความคิดไม่ดีได้เจ้าคะเพราะเราห้ามความคิดไม่ได้ก็ให้รู้ว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วก็อย่าไปทาตามเช่นจะเดิมสุรา พอรู้ว่าไม่ดีเราก็อย่าไปดื่มมันก็ยังไม่เป็นบาปมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำบาปแต่ยังไม่ได้ทำบาปเป็นการเตรียมการเท่านั้นนั้นเวลาเราคิดอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทำแล้ววิธีหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ไปทำก็คือเราต้องอย่าไปคิดถึงมันพอมันคิดถึงเรื่องไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธมามาแทนที่ให้คิดอยู่กับคาพุโทโธพุธโทโธไป แล้วความคิดที่อยากจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปคำถามจากคุณมอนีที่ว่าธรรมทาน ร, ร่วมถึงการที่เราแชร์เรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือส่งข้อคิดเตือนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านให้ผู้อื่นทางโซเชียลถือว่าได้บุญไหมคะก็ได้เขาเป็นการแบ่งปันทานความรู้ธรรมะคำถามจากคุณชนพั ลูกชายดื้และก้าวร้าวกับแม่หนูต้องทําอย่างไรคะถึงจะให้เขาไม่ดื้่กับแม่ก็ต้องมันพาเขาเข้าวัดแล้วก็เข้าไปศึกษาธรรมะถ้ามีโอกาสให้เขาบวทเนรกันเขาจะได้รู้จักโทษคุณโทษของการกระทําของเขาเช่นการก้าวร้าวเขาก็จะถูกสอนว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูก กามีสัมมาคารวะเป็นการกระทําที่ถูกคําถามจากคุณชัดชวันนะครับเมื่อตัวคิดดับเหลือแต่ตัวรู้แม้แต่นอนหลับตัวรู้นี้ยังปรากฏอยู่หรือเปล่าครับตัวรู้นี่ไม่หลับนะเพียงแต่ว่าจะรับรู้หรือไม่ก็อยู่ที่มีสติหรือไม่เวลาหลับก็จะไม่มีสติก็เลยจะไม่รับรู้อ แต่พอมีสติก็จะรับรู้คำถามหมดครับอาจารย์เวลาก็หมดพอดีใช่ไหมใช่ครับก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ